แนะนําบทาลุกมานบทลุกมานเป็นบทมัตยายามีสาสิบสี่องค์การบทนี้อรำลึกการกล่าวถึงคำพีซึ่งถือเป็นปาฏิหาริย์ของมุฮัมมัดซึ่งในคำพีได้นําหลักฐานมายืนยันให้ประจักษ์ถึงความเป็นเอกรของพระเจ้าแห่งซากรุโล ก, กล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ความสวยงามอันน่าประหลาดใจในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีระบบอันรัดรูิในการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดิน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 นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนพวกบูชาชเวดให้ระหนักถึงหลักฐานแห่งเดชาลูกภาพและความเป็นเอกภาพที่ปรากฏออกมาในจักรวาลอันกว้างใหญ่และสวยงามบทนี้จบลงด้วยการเตือนให้นำลึกถึงวันอันน่าหวาดกลัวที่ทรัพย์สินและบุตรหลานจะไม่อามํานวยประโยชน์อันใดเลยบทนี้ถูกเรียกชื่อว่าบทลุกมานเพราะได้กล่าวถึงเรื่องของลุกมานอัลฮากีบ หรือลุกมานักปริญญาที่ประมวลไว้ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาเคล็ดลับของการรู้จักอัลลอฮ์และคุณลักษณะของปรุงประนามการตั้งภาคีาใช้มีมัรยากที่ดีงามและห้ามปรามให้ละเว้นการกระทำที่น่ารังเกียจไม่เป็นที่ยอมรับอีกทั้งยังประมวลไว้ด้วยการสั่งเสียที่มีคุณค่าซึ่งอัลลอฮ์ทรงสอนให้พวกเขาพูดออกมาและนั่นคือปริญญา และความเฉลียวฉลาดที่ลุกมารได้รับจากพระผู้อภิบาลของเขาโดยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลีฟลามมีมอัลีฟลามมีมที่เหล่าอัลกุรอาน เหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคำพีอันชัดแจ้งเพื่อเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่ผู้ที่กระทาดีทั้งหลายลาคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและบริจาค z ะกา t และพวกเขาเชื่อมั่นต่อวันพ่อโลกออลาอิกะอัลาฮูเัมมรับบิฮิมวโอลาอกะฮูมุลมุสลิฮูนชนเหล่านี้คือผู้ที่ตั้งอยู่บนทางนำที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความสำเร็จโอมินะมิ น, นาซิเมียอชเตรีละฮูอัลฮะดิซิลิอัลลัลลันสบีลิลลาฮิบิกริอัล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 ลลลและเมื่อองค์การทั้งหลายของเราถูกอ่านให้แก่เขาเขาก็ผิบหลังให้อย่างยักโสประหนึ่งว่าเขาไม่ได้ยินองค์การนั้น ประเดหนึ่งว่าในหูของเขานั้นหลวงดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดเถิม แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะรับสวนสวรรค์อันสุขสำราหมพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงเสมอและพระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชาญ كَرِيمٍ ปร่งทรงสร้างชั้นฟ้าโดยปราศจากเสาที่พวกเจ้าจะมองเห็นมันได้ และทรงปักเพื่อเขาไว้อย่างมั่นคงในแผ่นดินเพื่อไม่ให้มันสั่นคลอนไปกับผู้ยากและทรงให้สัตว์ทุกชนิดแพร่หลายไปในแผ่นดินและเราได้น้ําฝนหลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าและเราได้ให้พืชทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่ ค, คู่อย่างสวยงาม นี่คือการสร้างของ a ลล a h ดังนั้นพวกเจ้าจงแสดงให้ข้าเห็นสิว่าอันใดเล่าที่เขาเหล่านั้นได้สร้างมันขึ้นมาอื่นจากพระองค์แต่ว่าผู้รทำต่างหาที่อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจง้ง และโดยแน่นอนเราได้ให้ฮิคมะแก่ลุกมานโดยกล่าวว่าจงขอบพระคุณต่ออัลลอฮ์เถอดและผู้ใดขอบคุณ แท้จริงเขาก็ขอบคุณตัวของเขาเองและผู้ใดปฏิเสธแท้จริงอันนั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญและชงรำลึกถึงเมื่อลุกมานได้กล่าวแก่บุตรของเขาโดยสั่งสอนว่าโอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งควาคีดใดๆต่ออัลลอฮ์เพราะแท้จริงการตั้งความคีต่ออัลลอะ์นั้นเป็นความผิดอย่างมหานาลและเราได้สั่งเสียแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขา โดยที่มารดาของเขาได้อุ้มคันด้วยความอ่อนเพลียรครั้งแล้วครั้งเล่าและการยานมของเขาในระยะเวลาสองปีเจ้าจงขอบคุณข้าและบิดามารดาของเจ้าอย่างข้าคือการกลับไปของเจ้าวอุมา และถ้าเขาทั้งสองบังคับเจ้าให้ตั้งพาธีต่อข้าโดยที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วเจ้าจะได้เชื่อฟังปฏิบัติตามเขาทั้งสอง และจงอดทนอยู่กับเขาทั้งสองในโลกนี้ด้วยความดีและจงปฏิบัติตามทางของผู้ที่กลับตัวไปสู่ข้าและยังค่านั้นถือทางกลับของพวกเจ้าดังนั้นข้าจะบอกแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ยบุยอิน ت َ ك ُ م ْ ق َ ا ل َ ح َ ب ّ ة ٍ مِنْ خَبْرٍ ف َ ت َ ك ُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ ح َ ب ٍْ مِنْ خَبْرٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. <تصفيق> แท้จริงหากว่าความผิดนั้นมันจะหนักเท่ า, มาเมล็ดผักสักเม็ดหนึ่งมันจะซ่อนอยู่ในหินหรืออยู่ในบรรดาชั้นฟ้าหรืออยู่ในแผ่นดินอลัลลอฮ์ก็จะทรงนำมันออกมาแท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรอบรู้ยบ Um โอโลูกเตยเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงใช้กันให้กระทำความดีและจงห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่วและจงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้าแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง ا. إ และเจ้าอย่าหันแก้มคือใบหน้าของเจ้าให้แค่ผู้คนอย่างยะกโสและอย่าเดินไปบนผ่นดินอย่างไร้มันยากแท้จริงอัลลอฮมิทรงชอบผู้หญิงจงหองและผู้คุยโว และเจ้าจงก้าวเท้าของเจ้าพอประมาณและจงลดเสียงของเจ้าลงแท้จริงเสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียงรองของล่าและเจ้าจงก้าวเท้าของเจ้าพอประมาณและจงลดเสียงของเจ้าลงแท้จริงเสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียงร้องของหล่า و و พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้า ซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินและพระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานอันมากมายของพระองค์อย่างครบถ้วนแก่พวกเจ้าทั้งที่เปิดเผยและที่ซ่อนเวน้นและในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้โต้เถียงในเรื่องของอัลลอ์โดยปราศจากความรู้และปราศจากทางนำที่ถูกต้องและปราศจากคำพีเทยทานสว่าง أ ا และเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮได้ทรงประทานลงมาพวกเขากล่าวว่า เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันในเรื่องนั้นอะไรกันถึงแม้ว่าชัยตอนจะเรียกร้องพวกเขาสู่การลงโทษที่มีไฟลุกโชนอยู่ขนานั้นหรือ และผู้ใดนอบน้อมใบหน้าเขายังเอารอโดยที่เขาเป็นผู้กระทำดีแน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้วและบ้านปลายของกิจการทั้งหลายย่อมกลับไปหาลเอารอบบุ และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาก็อย่าให้การปฏิเสธศรัทธาของเขาทําให้เจ้าเศร้าโศกเสียใจและอย่างเรานั้นคือการกลับของพวกเขาแล้วเราจะบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสวงอบนุนัดติอุมฺกฺลิลัลทุมมะนับตรุฮุมอีลาอาดับินฺกฺลิล เราได้เวลาพวกเขาสนุกสนานกันเพียงเล็กน้อยแล้วเราจะไล่ต้อนพวกเขาไปสู่การลงโทษเพียงเล็กและถ้าเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผนดิน แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอะ์นั้นคือผู้ทรงพอเพียงจากสิ่งทั้งหลาย <تصفيق> ولو أنما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما ن ت د ت كلمات الله إن الله عزيز حكيم และหากว่าต้นไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นบินเป็นปากกาและมหาสมุทรเป็นน้ำหมึกมีสำรองไว้อีกเจ็ดมหาสมุทรคำตรัสของอลัลลอฮ์ก็ยังจะไม่หมดสิน้นไปแท้จริงอลัลละ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายานาาานานาาลลลกมวบออิิี การบังเกิดของพวกเจ้าและการฟื้นคืนชีพของพวกเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเสมือนชีวิตเดียวแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น เราไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอ AH ัลลอฮ์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในเวลากลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในเวลากลางคืนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโครจรไปตามวาระที่กำหนดไว้และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ นั่นเพราะว่าอัลลอ์นั้นพระองค์คือผู้ทรงสักจากและเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์เป็นเพดและเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์เป็นผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ เ จ, จ้าไม่เห็นดอกหรือว่าเรือนั้นแล่นไปในท้องทะเลเนื่องด้วยความโปรดปรางของอัลลอฮเพื่อพรงค์ให้พวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆของพระอง ถ้าจริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคน และเมื่อลูกคลื่นซัดมาท่วมมิดพวกเขาคล้ายเงาร่วมที่ปกคลุมพวกเขาก็วิงวอนขอต่ออัลลอ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์คั้นเมื่อพระองค์ได้ช่วยพวกเขาได้ขึ้นบกในหมู่พวกเขามีผู้อยู่ในสายกลางและไม่มีผู้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรานอกจากผู้ทรยศในละคุณทุกคน يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد ع و ل د ه ولا مولود هو ج ا ز عن و ا ل د ه شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور พวมนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดและจงกลัววันหนึ่งที่พ่อไม่อาจช่วยลูกของเขาได้และลูกก็ไม่อาจจะช่วยพ่อของเขาได้ก็อย่างใดถ้าจริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงดังนั้นอย่าให้การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ล่รอลวงพวกเจ้าและอย่าให้หัวหน้าของพวกล่อลวงคือชัยตอน มาหลอกลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์ได้เป็นอันขาด。 อออนัลลมุบถ้าจึิง a l ล a h นั้นความรู้แห่งวันอวสานนั้นมีอยู่ณนะที่พระองค์และพระองค์จะทรงประทานผลลงมาและพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในมดลูกและไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่มันจะหามาได้ในวันรุง่งขึ้นและไม่มีชีวิตใดรู้ว่าณนะแผ่นดินใดมันจะตาย แท้จริงอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดที่ดวน